สมาธิพวกเราอย่างอ่อนนั่งภาวนาให้หลวงพ่อดูเนี่ยไม่ถึงนาทีนะใจหนีแล้วที่แรกก็วางฟอร์มสวยงามภาว น, นาแป๊บเดียวต้องฝึกนะถ้าเราสมาธิอ่อนแบบนี้เวลาเราดูสภาวะนะจะดูได้ไม่ต่อเนื่อง บางทีเห็นมันเกิดขึ้นมาไม่เห็นมันดับอะไรเงี้ยเห็นได้แ ป, แป๊บๆรู้สึกอีกทีเอาอีกอันหนึ่งเกิดแล้วไม่เห็นมันดับพวกเราคนไหนยังเป็นที่หลวงพ่อบอกไหมยกมือให้ดูหน่อยเห็นแต่เกิดไม่เห็นดับเพราใจเราหนีเพียสก่อนใจมันบล็อแลกแบกบลอกแบกนะสมาธิมันไม่พอ ถ้าสมาธิพอเนะี่ยเราใจเราตั้งมั่นอย่างเงี้ยมันจะเห็นความรู้สึกเห็นสภาวะทั้งหลายไหลผ่านมาช้าชานะเห็นมันตด้งโปรมา ค, ค่อยค่อยผ่านไปผ่านไปสมาธิเราแมมกำลังตั้งดีนะอันนี้มาแนละ้วโนดไปโน่นแล้วอ้าวพอมดูอีกทีมคนลคตรตัวอะอันนี้จุดอ่อนเลยนะ จุดอ่อนของคารวะก็คือสมาธิไม่พอดูพระหลวงพ่อสิฝึกกันนานฝึกกันเป็นเดือนมาที่นี่ขั้นแรกเลยตรวจสอบเรื่องวินัยก่อนมาบวชมาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยขั้นแรกตูวินัยก่อนสอนวินยัยเช็คเคยไปบวชมาหรือเปล่า ตอนไปบวชมาติดอาบาัติค้างอะไรมาหรือเปล่าต้องเช็คหมด น, ะนี่พอตรวจเรื่องวินนะัยแล้วกลัไปก็ฝึกเรื่องสมาธิแม้มันอยู่ในหลักของศีลสมาธิปัญญาสมาธิจิตต้องตั้งมัน่นแล้วก็มีแรงด้วยตั้งอย่างพวกเรา ตังแว๊บเดียวนีไปละวออย่างนั้นเอาไปเดินปัญญาไม่ได้หรอกใจวอกแวกวอกแวกตลอดเวล า, าต้องฝึกยเป็นพระมาอยู่ที่นี่ก็ฝึกประมาณเดือนนึ่งให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่เจตนาบางคนก็นานกว่านั้นสองเดือนสามเดือนบางคนสองปีสามปี ความยากที่สุดของการปฏิบัติอยู่ตที่การฝึกจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาจิตที่ไม่มีคุณภาพทูสีไปเดินปัญญาไม่ได้ผลหรอกเหนื่อยเปล่าๆงั้นเราฝึกให้มีระเบียบแบบแผนในการฝึกถ้าเราเป็นค า, ารวะก็รักษาสี่ห้าไว้ให้ดีแล้วก็ฝึกจิตของเรา ให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่เจตนาให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ร่อนเร่ไปหนีไปทางตาหูจมูกเล่นกายใจโดยเราไม่รู้เนะราะนั้นใช้ไม่ได้ถ้ามันไปทางตาหูจมูกเล่นกายใจแต่เรารู้ว่ามันไปอย่างนี้ไม่เป็นไรเราก็จะเรียนรู้มันไปเรื่อยส่วนใหญ่ก็คือจิตหนีไปไม่เคยเห็นนะ งั้นหาดูสภาวะนะดูยังไม่ทันจะเกิดเกิดแล้วยังไม่ทันจะดับอะไรเงี้ยนะดูแล้วไม่ทันจะดับจิตผู้รู้ของเราดับไปซะ ก, ก่อนแะเป็นจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเป็นผู้หลงเราก็ไม่เห็นสภาวะ ว, ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเห็นแต่ว่าตอนนี้เป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นอย่างนี้ยังไม่พอนะกําลังยังอ่อนไป เมื่อกี้ที่หลวงพ่อตั้งคำถามว่าพวกเราใครเห็นเกิดแต่ไม่เห็นดับแล้วพวกเรายกมือกันเยอะถือว่าดีนะอย่างน้อยเราก็รู้ว่ากำลังเราอยังไม่พออย่างนึกว่าเราเก่งเพราะยังมีงานที่เราจะต้องฝึกฝึกจิตใจให้มีเรื่องมีแรงในการรู้อะไรได้ต่อเนื่องรู้ได้ยาวพอสมควร ไม่ใช่รู้สั้นจุดจู่เลยแป๊บหมายบอกเราเป็นผู้รู้แล้วรู้ทีแล้วสั้นๆเจ็ดขณะสั้นๆแป๊บแ บ, บแป๊บไปเลยไม่พอกินเมั่นต้องฝึกวิธีฝึกก็คือทุกวันต้องแบ่งเวลาไปปฏิบัติในรูปแบบการฝึกการซ้อมก็คือการปฏิบัติในรูปแบบนั้นแหละ ทาหารเวลาจะไปรบยังต้องซ้อมรบก่อนเลยไม่เห้นเข้าสนามรบเลาตายเปล่าๆฆ่าสึกยิงเรายังไม่รู้เรื่องเลยว่าเขายิงตายไปแล้วยังไม่รู้ว่าตา ย, ยาวิธีฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเรื่องนี้สําคัญนะถ้าเราอยากได้มรรคผลในชีวิตนี้ต้องทำถือศีลห้าไว้แล้วทุกวันแบ่งเวลาไว้ ต้องแบ่งเวลาไว้มีวินัยในตัวเองอาจจะก่อนนอนหรือรีบตื่นนอนให้ไว ข, ขึ้นแล้วมาปฏิบัติแต่ตอนตื่นนอนมีข้อเสียอย่างหนึง่งใจจะลุกลี้ลุกรนมันห่วงจะต้องรีบเดินทางไปทำงานตอนก่อนนอนก็มีข้อเสียใจมันหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วมันเหนื่อยมาทั้งวันเห็นไหมเช้ามากก็ไม่ไหวนะ คำามากก็ไม่ไหวมันเต็มไปด้วยคำว่าไม่ไหวอ่ะต้องไหวสิวะอยากดีมันต้องสู้อะนะมันมีเคล็ดลับอันหนึง่งไม่ใช่เคล็ดลับมันเป็นทริคหนะ น, นึง่งก็คืออยู่ในชีวิตประจำวันเราเนี้ยถ้าทำได้นะทุกๆชั่วโมงเนี่ยนั่งหายใจไปหรือพุทโธไปสัก้านาทีไม่ต้องเจริญปัญญา นั่งไปแล้วก็คอยดูใจของเราใจมันหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันมันหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันชั่วโมงหนึ่งทําได้สักห้านาทีก็ยังดีหรือถ้าเราจะมานั่งแล้วคนอื่นเห็นดูเราพิลึกเกินไปเราก็เดินไปห้องน้ำาลูงพ่อใช้วิธีเดินไปห้องน้ำหัวหน้ากองเนี่ยจะบ่นเหมือนกันทำไมเธอเข้าห้องน้ำบ่อยทำไมเธอเข้าห้องน้าบ่อย ไปทุกชั่วโมงเลยประเดี๋ยก็ไปปเดี๋ยก็ไปเราก็ยิ้มยิ้นะบอกเรากินน้ำเยอะเราเจตนากินน้ำเยอะนี่ได้ไปห้องน้ำตอนทำงานอยู่เนี่ยหัวหมุนติวตวิสติสมาธิปัญญาจดจ่ออยู่กับงานนะไม่ใช่เวลาของการปฏิบัติแนละ้วพอเ ข, า, ขาจ้างเราไปทำงานเราก็ทำงาน นี่พอได้เวลาเราเพอสมควรกับเวลามีจังหวะไม่ใช่ลุกทุกชั่วโมงหรอกไม่ได้ตั้งนาฬิกาหรอกนะแต่บางช่วงมีงานตะลุมบอลอยู่ก็ลุกไม่ได้เหมือนกันมช่วงไหนที่มันปลีกตัวได้สักห้านาทีนั้นขยับตอนลุกขึ้นจ้เห็นว่ร่างกายเคลื่อนไหวยังดูจิตไม่ได้นะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเป็นดูกายมันเดินไปการที่เราดูกายมันเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นสมถะหรือมิปัสนา ทำไมว่าเป็นสมถะดูกายนะใครว่าสมถะใครว่าวิปัสนาทำไมไม่ยอมเป็นมีปัสนามันเป็นสมถนะเพราะเราเห็นอะไรเราเห็นเห็นกายมีกายเป็นอารมณ์มันเดียว จิตอยู <im ri ana> ่ในอารมณ์เดียวคือรู้สึกถึงร่างกายที่เดินไปจะเป็นวิปัสสนาได้ต้องเห็นไตหลักจิตจะเห็นไตรลักได้จิตต้องมีสมาธิพอตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูะเห็นร่างกายที่กําลังเดินอยู่เนี้ยไม่ใช่ตัวเราเห็นร่างกายที่เดินอยู่เนี้ยไม่เที่ยงเปลี่ยนไปทุกๆขยับนะก้าวหนึ่งเนี่ยรูปเกิดดับจํานวนมากหนึ่งก้าวไม่ใช่นี่หนึ่งรูปนี่หนึ่งรูปนะเนี้ย มันเคลื่อนถ้าสติเราดีจริงๆเราจะเห็นมันเคลื่อนเหมือนฟิล์มหนังกระตูลเลยเคลื่อนชบชิบๆิบชไปอย่างนี้แต่ไม่ต้องแกล้งทำบาบวงคนเป็นแกล้งทำจะจะขยับไปหยิบแก้วน้ำนี่กหลงไปห้าพันครั้งแล้วกว่าจะได้แก้วน้ำมาดันั้นก็ใช้ไม่ได้ น, นี่ตอนหลวงพ่อทำงานหัวมันหมุนหมนมนอยู่เนี่ยมันไม่มีกำลัง สมาธิที่จะดูจิตตัวเองได้หรือดูกายให้เห็นไตรลักษ์ได้ดูจิตก็เป็นสมณฐานะถ้าเห็นจิตเฉยๆเนยเป็นสมถฐานะถ้าเห็นจิตแสดงไตรลักษ์ถึงจะเป็นมิปัสสนานัไม่ใช่ว่าดูกายเป็นสมถาะแล้วดูจิตทุกครั้งเป็นมิปัสสนาไม่ค่อยเป็นหรอกส่วนใหญ่เป็นสมถาะถ้าเราเห็นตัวจิตเนี่เป็นสมณานะถ้าเราเห็นไตรลักษ์ของจิตถึงจะเป็นมิปัสสนา นี่ตอนที่เราทํางานเนี่ยจิตใจเราออกนอกมันหมกมุ่นกับการทํางานหัวเราหมุนติ้วๆเนี่ยนะสมาธิเราไม่พอหรอกงั้นเราก็ทําสมถะวิธีทําสมถะก็คือดูกายดูร่างกายแทนที่เราจะท้านนั่งหายใจออกหายใจเข้าก็เราจะไปห้องน้ำมันมันหายใจออกหายใจเข้ามันจะได้ฉี่เหรอหายใจออกหายใจเข้าอยู่กับที่ไปเรื่อยๆไปไหนไม่รอดใช เราก็ดูกายแต่ว่าดูกายที่เดินเริ่มตั้งแต่ร่างกายจะลุกจากเก้าอี้เก้าอี้ทำงานมันก็มีที่เท้าแขนอย่างนี้เห็นเวลาเราจะลุกเราไปสังเกตดูเราจะขยับมือก่อนบางคนบอกเวลาจะลุกขยับขาคอนนะไปสังเกตส่วนใหญ่นะที่หลวงพ่อเห็นนะขยับมือท่านั้งนั้นนะก็ขยับมือแล้วก็ส่งตัวขึ้นมาเห็นะ ไ, ไหมตัวยืดอีกแล ก็ค่อยขยับขาอะไรเงี้ยบางทียืดตรกมาเราก็ดันเก้าอี้ถอยหลังก็ขยับเนี่ยเห็นร่างกายเคลื่อนเป็นชดชดชดชดไปเห็นร่างกายเดินไปไปห้องน้ําไปยืนฉี่ช่วงที่เราเดินจากโต๊ะทํางานเราไปห้องน้ําเนี่ยหนึ่งนาทีประมาณหนึ่งนาทีตรงเนี้ยเราทําสมถะแล้วเก็บคะแนนไปแล้ว เราฉี่เสร็จนะเรากลับมาสบายใจแล้วเวลาเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วจะรู้สึกสบายใจรู้สึกไหม <_ tit> เขาถึงเรียกห้องสุขขาคนไทยนี้ตั้งชื่อเก่งมากเลยนะแต่ของบางประเทศในห้องทุกขาเข้าไปแล้วทรมานมากเลยนะเคไปเบอร์ลนะินอ่ะหูสุดยอดเลยสนามบินเบอร์ลินสุดยอดยิ่งกว่าเมืองจีนอีก ตอนเดินกลับมาเนี่ยเราเห็นจิตใจมีความสุขไปฉีเสร็จแล้วมีความสุขเดินออกมาดูจิตได้แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความรู้สึกแลวเดินเดินมามาเจอเพื่อนเขาทักทายมาคุยอะไรกันคำคำเห็นใจมันคำแล้วเนี่ยเห็นตลอดเลยนะกลับมาดูจิตดูใจที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้แล้วตรงที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นแหละเราเดินวิปัสสนา ถ้าเราเห็นตัวของมันนะเป็นสมถะถ้าเห็นความเปลี่ยนแปลงนะเป็นวิปั ส, สนานไะด้เก็บไปอย่างเนี้ยชั่วโมงหนึ่งประมาณห้านาทีได้ปฏิบัติทั้งสมถะทั้งมิปั ส, สนาอย่างเงี้ยนะเก็บไปเลยชั่วโมงหนึ่งห้านาทีสิบสองชั่วโมงจะได้หนึ่งชั่วโมงห้านาทีสิบสองครั้งคือหกสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งนะอย่าดูถูกนะห้านาทีนะหลวงพ่าเก็บอย่างเนี้ยเก็บเก็บเก็บไปเรื่อย ทั้งวันเก็บแต้มไปทีละห้านาทีห้านาทีอย่างเงี้ยนะกลางวันไปกินข้าวนะเดินไปกินข้าวเนี้ยยาวกว่าห้านาทีแล้วช่วงที่กินข้าวช่วงที่เข้าแถวซื้อข้าวนะพวกเนี้ยภาวนาได้ทั้งนั้นภาวนาได้ดูกายดูใจของเราไปเรื่อยกินข้าวนะเห็นร่างกายมันเชี่ยวอาหารเห็นร่างกายมันคืนอาหารเห็นใจมันชอบเห็นใจมันไม่ชอบนะดูไปเรื่อย เวลากินข้าวหลวพ่อจะกินเร็วๆนะบางทีพยายามไปกินข้างนอกที่ทํางานกินอยู่ในที่ทํางานเดี๋ยวเจ้าหนาทชอบตามคล้ายๆขาดเธอไม่ได้ฉันนี่อยากขาดเธอเพิ่นแต่ถ้าเธอคอยควนการตั้งเราจะกินข้าวมันอยู่ให้คนมาตามเลยต้องไปกินข้าวข้างนอกที่ทํางานส่วนใหญ่ถ้ากินในที่ทํางานนั้นก็รีบๆกินรีบเสร็จแล้วก็เดินออกจากที่ทํางานไป เดินไปไหนถ้าไปเดินจงกรมอะไรเงี้ยนะคนมันก็จะค่อนขอดอกีกสังคมของเราเนี้ยเป็นสังคมของมานถ้าเห็นใครปฏิบัตินะมันจะกระแนกะกระแนะหน่เคยโดนไหมเคยถูกไหมเป็นตาเถนใหญ่ชีอะไรต่ออะไรว่าทถกสารพัดนะเวลาเราโมโหขึ้นมามันก็ว่าเรานะภาวนายังไงปฏิบัติยังไงยังโกรธอยู่เลยนะเราก็าอยากจะสวนนะโกรธสิว่าไม่ใช่พระอนาคานี่นะ งั้นหลวพ่อจะเดินออกจากที่ทํางานไปวัดใกล้ๆที่ทํางานเดินไปถึงไปไหว้พระไม่ต้องเข้าไปในโบสถ์หรอกไหว้อยู่หน้าโบสถ์แล้วเดินกลับไม่มีเวลามากเดินไปเดินกลับนี่คือการเดินจงกรมบางครั้งใจมันเหนื่อยมันก็เดินแบบสมถะเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูบางครั้ง ใจมันมีกำลังมันก็มีวิปัสสนามันก็เห็นร่างกายที่เดินอยู่นียไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์แล้วก็เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกหรือเวลาดูจิตดูใจก็จะเห็นใจิตใจนี้ไม่เที่ยงตาเราเห็นรูปอันนี้ใจเราก็เปลี่ยน หูเราได้ยินเสียงอย่างนี้ใจเราก็เปลี่ยนเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆอันนี้เป็นวิปัสสนาแล้วนะถ้าไปจ้องมีใจนิ่งๆแล้วจ้องอยู่ที่ความนิ่งอย่างเงี้ยเป็นสมถนะมีความโกรธแล้วเพ่งใส่ความโกรธนะให้หายโกรธนะอันนี้เป็นสมถนะหรือไม่ความโกรธเกิดขึ้นบริกรรมโกรธเนอโกรธเนอเพื่อจะให้มันหายโกรธเป็นสมถะ แต่ถ้าเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเห็นความไม่เที่ยงของความโกรธ ถ, ถือให้เป็นวิปัสสนาแต่ถ้าไปเห็นความโกรธแล้วพยายามดับความโกรธไม่ใช่วิปัสสนาะต้องแยกแยะให้ออกส่วนใหญ่ที่เราปฏิบัตินะั้นเป็นสมถะไม่เป็นวิปัสสนาหรอกนะวิปัสสนานานเกิดทีหนึ่งนะเกิดสั้นๆไม่เนักไม่ยาว ยังนั่งคิดพิจารณาร่างกายว่าเป็นไตรลักษณ์เนี่ยเป็นสมถะนะเพราะยังเจือการคิดไม่ใช่การเห็นวิปัสนาไม่ได้แปลว่าวิตตบวิตตบเพื่ตรึกเอาวิปัสนาเพาเห็นเห็นจริงเห็นแจ้งต้องเห็นเอาเห็นร่างกายไม่ใช่เราเห็นจิตใจไม่ใช่เราเห็นร่างกายเป็นทุกข์เห็นจิตใจไม่เที่ยงทั้งสองอย่างไม่ใช่เรา แต่ตัวกายเนี่ยจะดูตัวทุกข์ได้ง่ายดูความไม่เที่ยงดูยากกว่าเพราะรูปอายุยืนฝันานามนามธรรมาคือจิตใจเหล่านี้ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยเปลี่ยนรวดเร็วงั้นจะแสดงอนิจจังได้เด่นกว่าตัวรูปนะงั้นเวลาดูดูนามธรรมาดูความรู้สึกดูจิตใจมันทางานเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงทียิบเลยนะตลอดเวลา แต่ดูรูปเนี่ยนา น, น, านรูปจะเปลี่ยนทีรูปไม่ได้เปลี่ยนตลอดเวลาเหมือนน้ํารูปมายุยืนกว่าน้ําเงั้นดูยังไงดีควา ม, มาอายุยืนของมันเนี่ยแหละมันทําให้เราเห็นตัวทุกได้ง่ายลงนั่งนิ่งๆสิทุกไม่ทุกงั้นตัวรูปเนี่ยตัวที่เราดูได้ง่ายคือตัวทุกนะตัวน้ำตัวที่ดูง่ายคือตัวอนิจจงความไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดเวลา แล้วทั้งคู่ดูเป็นอนัตตาได้รูปดูเป็นอนัตตาในแง่ที่ว่ามันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกเช่นหายใจเข้าหายใจออกเนะนี่ยธาตุเราก็เปลี่ยนแล้วดื่มน้ำเข้าไปแล้วก็ไปฉี่หรือกลายเป็นเหงือ่อนะหรือกินอาหารแล้วก็ไปอื่อ อ, อกไปนะมีธาตุที่หมุนอยู่อย่างนี้หมุนอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะแต่มันไม่เร็วมากนะแต่จิตนี่เร็ ว, รวมากเลนะ เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยคว่าจะหายใจเข้ากว่าจะหายใจออกเนี่ยตั้งหลายวินาทีนึนกออกไหมครั้งเดียวเนี่ยนะตั้งหลายวินาทีแต่ว่าห้าวินาทีสุกห้าวินาทีนะจิตเปลี่ยนไปไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วเปลี่ยนบ๊บแวบบ๊บแวบตลอดเวลาเดี๋ยวคิดเรื่องนี้เดี๋ยวคิดเรื่องนี้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วนันแสดงอา น, นิจจังเก่งนี้ดูรูปนะเราดู ตัวทุกข์แล้วก็ดูในแง่ที่ว่ามันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุลายเข้าอะหรออกไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอย่างตัวเราเนี่ยลองแลกเนื้ อ, อไปนะเอาไปแกว้ดูแล้วดูไม่ออกเนื้อคนหรือเนื้อหมาหรืออะไรอย่างนี้นะแยกไม่ออกแล้วมันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุ แต่ตัวจิตเนี่ยเราดูอนาัตตาในแง่ที่ว่าเราบังคับไม่ได้ดูเป็นคนละมุมนะมันจะเด่นคนละมุมอนัตตาคำว่าอนัตตาเนี่ยมีทั้งหลายหลายมุมมีทั้งห้าแบบห้าแบบไปหาเอาเองก็แล้วกันแต่ถ้าดูกายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมาประกอบกันชั่วคราวแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยเหมือนสร้างบ้านนะ เราสร้างบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องลื้อตรงนี้ออกมาซ่อมตรงนี้ผุตัดออกเอาไปเอาไม้อันใหม่ไปใส่แทนหลังคาตรงนี้ทะลุเอาหลังคาเก่าออกหลังคาใหม่ใส่เนี่ยมันธาตุมันเปลี่ยนอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีนะในร่างกายเนี่ยแต่เราไม่เห็นอย่างศาลาเนี่ยตั้งแต่สร้างมาเนี่ยก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆแหะ แต่พวกเรามาทีไรเราก็รู้สึกสราอย่างอยู่สลาคงที่สราเหมือนเดิมเราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนช้านในร่างกายนี้เหมือนกันรูปนี้ก็เปลี่ยนตลอดนะแต่มันเปลี่ยนช้าเดี๋ยวก็เปลี่ยนเอาโน้นเข้าเอาอันนี้ออกเหมือนสาราเนี้ยเหมือนกันเดี๋ยวก็เอาอันนี้มาเพิ่มเดี๋ยวเ อ, เอาอันนี้เอาอันนี้ออกวัตถุต่างๆ ไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่ของอมะตะยั่งยืนจิตใจเราดูเป็นอนัตตานะอีกมุมหนึ่งถ้่จะดูง่ายนะในแง่ที่เราบังคับไม่ได้เราไม่ได้เจตนาจะโกรธมันโกรธได้เองเราไม่ได้เจตนาจะโลภมันก็โลภได้เองเราเจตนาจะสุขมันก็ดันทุกข์สั่งมันให้สุขมันก็ไม่เชื่อเจตนาว่าอย่าทุกข์มันก็ทุกข์อย่าคิดมาก เวลาเรามีปัญหาชีวิตใช่ไหมอย่างบางคนอกหักเนี่ยเพื่อนจะมาปลอบอย่าคิดมากเลยเธอเคยได้ยินไหมประเภทเนี้ยเราอยากจะสวนเลยสั่งได้เหรอจิตนะ่ะไอ้ที่บอกว่าอย่าคิดมากอะ่ะยิ่งคิดหนักเลยรู้สึกไหมเรื่องไหนที่จงใจว่าอย่าไปคิดมันเลยยิ่งคิดมากกว่าเก่าอีกเนี่ยแหละมันสอนอนัตตาเรา ไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับไม่เป็นไปตามใจปรารถนาอันนี้คือข้มานัตาอนัตตามีอยู่หลายแงย่หลายมุมนะดูมุมใดก็ได้แต่ว่าสภาวะแต่ละอย่างเนี่ยมันโชว์อนัตตาที่เด่นพนลัแง่คลัมุมกันถ้าเราเห็นใจรักได้อ่นี้เป็นวิปัสสนาเนี่ยทุกวันเก็บเวลาไว้นะเก็บเก็บคะแนนไม่ใช่เก็บเวลามีเวลาว่าง ส่วนเราจะคุยกับลูกค้าเตรียมเอกสารเตรียมข้อมูลเลยว่าเต็มเต็มที่แล้วนัดลูกค้ามาคุยนะหรือเราไปหาลูกค้าเราเตรียมข้อมูลเสร็จแล้วตอนที่เดินขึ้นไปที่ต๊ะลูกค้าเราที่ห้องลูกค้าเราเนี่ยตัวเนี้เราพาวนางเราได้นี่เก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆถ้าชั่วโมงหนึ่งได้5้านาที12ชั่วโมงได้1ชั่วโมงละแล้วลเวลาตอนค่าที่เราไปพานาเนี่ยเราจะไม่นั่งหลับหรอก พระจิตเนี้ยมันถูกชาร์จพลังอยู่ตลอดเวลามันไม่หมดพลังหรอกะงั้นหลวงพ่อไปนั่งสมาธินะไม่หลับหรอกยิ่งตอนนี้นะอยู่แต้ทั้งคืนก็ไม่หลับหรอกถ้าจะอยู่นะกระฐานนอนนะนอนก็นอนภาวนาไปเรื่อยไม่หลับหรอกยกเว้นเราเจตนาจะหลับแล้วก็คลายจิตออกมันก็หลับงั้นไอ้ที่นั่งสมาธิแล้วหลับอะไรเนี้ยเพราะหมดแรง ที่หมดแรงเพราะตลอดวันเนี้ยหลงทั้งวันถ้าในระหว่างวันเนี้ยเก็บคะแนนไปเรื่อยรู้สึกตัวบ้างทําสมาธิบ้างวิปรัชสสนาบ้างไปเรื่อยๆตอนค่ําไปนั่งสมาธิจะไม่นั่งหลับหรอกจนถึงเวลาที่สมควรจะหลับก็ถึงจะไปนอนหลับนะจุดอ่อนของพวกเราคือสมาธิไม่พอนะมันเลยเห็นเกิดดับไม่ได้เห็นได้แต่เกิดนะไม่ทันจะดับจิตกนีไปที่อื่นแล้วเราก็ต้องฝึก นะถือศีลห้าทุกวันทำในรูปแบบในรูปแบบไม่ใช่วันละครั้งนะทำได้ทุกชั่วโมงดีที่สุดนะแล้วก็เวลาถึงเวลาภาวนาช่วงอย่างก่อนนอนล้วก็ภาวนายเงี้ยสักครึ่งชั่วโมงส5บห้านาทีนะั้นมันเมื่อหลายปีก่อนถ้าวันนี้ยังส5บห้านาทีอยู่เนะี่ยพวก l อลทลอยถ้วยนะพวกไม่ได้เรื่อง ควรจะพัฒนาขึ้นมาบ้างแล้วหลวงพ่อภาวนามาจนป่านนี้ทุกวันหลวงพ่ อ, อยังเดินจงกรมเลยรุันหลวงพ่อไอ้นั่งสมาธิวันหนึ่งวันหนึ่งหลวงพ่อสวดมนต์เป็นชั่วโมงไม่ใช่ไม่ทํานะหลวงพ่อก็ทําเป็นข้อวัดที่เราต้องทําเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าไหว้ครูจิตมันก็จะมีกําลัง จิตเ้ามีกำลังเนี่ยจะทำสมถะมันก็ง่ายจะทำมิปรัสนาก็ทำได้จะเอาไปใช้งานอย่างอื่นก็ทำได้จะไปเล่นโน้นเล่นนี่ก็ทำได้เหนี้นเราพยายามฝึกตัวเองนะถือศีลห้าไว้ถ้าศีลเสียสมาธิก็จะเสียด้วยแล้วก็พยายามมีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆถ้าตอนไหนดูไตรลักณ์ไม่ได้ ดูกายดูใจเนี่ยเป็นสมถนะจะเป็นสมถะ เ, เห็นร่างกายหันซ้ายหันขวาเป็นสมถนะถ้ารู้สึกขึ้นมามีสัญญาเข้าไปหมายรู้ว่าร่างกายนี้มีแต่ทุกข์บีบคั้นอยู่ร่างกายนี้เป็นวัตถุไม่ใช่ตัวเรานี่เป็นมิปัสนานกะ็มีการหมายรู้ไม่ใช่การคิดนะหมายรู้เป็นมุมมองของจิตหัดมองความเป็นใจรักของกายของใจ ไม่ใช่คิดเรื่องไตรลักษคิดเรื่องไตรลักไม่เป็นวิปัสนาการคิดเป็นสภาวะทียว่าวิตตกการไปหมายรู้มันหรือมองมันในมุมของไตรลักณ์เนี่ยเรียกว่าสัญญาตัวสัญญาบางคนไปดูถูกสัญญาที่จริงถ้าไม่มีสัญญาจะทําวิปัสนาไม่ได้นี่พระสารีบุตรบอกเลยสัญญาสมบัติอย่างนั่งเข้าฌานเนี่ยถ้ายังมีสัญญาอยู่ทําวิปัสนาได้ ถ้าเข้าฌานไปจนไม่มีสัญญามีอยู่ฌานหนึ่งไม่มีสัญญาก็คือรูปฌานที่สี่แต่เป็นอาสัญยีเป็นผอมลุกฟักไม่มีสัญญาตัวนั้นอาสัญยีก็คือไม่มีสัญญานั่นเองเป็นผอมลุกฟักอันนั้นทำมิปัสฐาไม่ได้แต่เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานที่แปด มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ยังไม่หมดสัญญาสักทีเดียวถ้าเป็นพระอะบุคคลที่ชํานาญในการดูจิตชํา น, นาญในฌานจะไปเดินมิ ป, ปัสสนในฌานที่แปดได้ถ้าไม่ได้มีคุณอสมบัติที่ว่านี้ยังทําไม่ไหวสัญญาอ่อนเกินไปทําไม่ไหวพวกเรามีจุดออนสมาธิไม่พอต้องฝึกนะทําในรูปแบบไป แล้วก็ค่อยรู้เท่าทันจิตใจนี้ไปค่อยรู้ะพุทโธไปหายใจไปจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้เวลาฟุ้งซ่านก็ส่วนใหญ่นี้ไปคิดเมืนะ่อนั่งพุทโธไปนั่งหายใจไปนะแล้วพอจิตมันหนีไปคิดมันจะลืมพุทโธลืมลมหายใจให้รู้ทันมันนะบางทีมันหลงไปอยู่ที่ลมก็มีนะก็ให้รู้ทันว่าจิตถลำแล้อยู่ที่ลมนี่หัดรู้ไปเรื่อย ต่อไปพรจิตเคลื่อนปุ๊บรูปปับ๊บเคลื่อนปุ๊บรูปปับนะ๊บเนี่ยสมาธิจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆสมาธิตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะแข็งแรงแนละ้วคราวเนี้เวลาเห็นรูปมันก็จะเห็นใจรัก์ของรูปเวลาเห็นนม า, ามธรรมก็จะเห็นใจรักของนม า, ามธรรมเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะไม่ใช่เกิดขึ้นแล้วก็ลืมไปแล้วเดี๋ยวอีกอันนึงเกิดขึ้นแล้วอ้ออันนี้มาแล้วมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเห็นตอนที่มันโผล่มาแล้วเนะี่ยอ่อนไป ไปฝึกเอากินข้าวกินข้าวไม่ได้บอกให้เลิกปฏิบัตินะกินข้าวก็คือเวลาปฏิบัตินิมนต์นะครับ